แต่เดียวสงเพียงเนี้ยควรรู้อดใจนี้ได้เราโยซีวายอย่างนี้ยกครั้งยีเองขึ้นมาโจโฉก็บูรณะอันยีเองเนี่ยเป็นคนมีสติปัญญาปรากฏอยู่เป็นที่รู้อยู่ทั่วว่าเขาเป็นคนมีสติปัญญาเราจรึงแทงอดใจเสีเพราะหากว่าเราทำอันใดไปก็กลัวความกระหายนินพาจะเกิดขึ้นได้ ว่าเราฟรังแกล้งคนมีปัญญาแต่เตียวสมนี่มันเป็นคนรูปชั่วทรระหาสติปัญญานี้ได้แลวจะอดใจให้มันว่ากล่าวช่วงจากตอเราต่อไปไมนต้องการอันใดเตียวสิวก็ย่งว่ามหาอุปราชเยียบประมาทเตีวสมคนนี้ข้าพเจ้าเห็นว่ามีสติปัญญาสา ม, มารถนะด้วยเมื่อกี้นี้ ขบเจ้าพาเตียวสงไปบ้านได้พูดคุยกันจนเกล้าเจ้าเดี๋วหนังสือที่ท่านแต่งวัดที่ชื่อบางเต๊กนะ่ะให้เตียวสงอ่านดูทีเดียวนะเตียวสงน่ะจําได้หมดสิ้นเตียวสงน่ะเป็นคนหลักแหลมอยู่แล้วก็หว่านหนังสือนี่เป็นหนังสือเก่าเป็นคําโบราณเด็กๆในเมืองเสฉวนอ่านเลยอย่องกันเป็นอันมากมีเ อ, อี่ยวซื้อมาพูดเลยนิดต่อไปนิดเนื่อย โจโฉก็โกรธเลยทีเดียวก็คิดว่าคนแต่ก่อนมาบอกเราให้เขียนกรื่อนี้หรือก็หาไม่เหมือนหนังสือนี่ราแต่งเองแต่ไปต้องกับคําโบราณแล้วนี่ก็จะเอามันไว้เพื่อประโยชน์อันใดโจโฉก็เรียกเอาหนังสือนี่มาฉีดเผาไฟเสียนี่โจโฉโจกรธมาก ต, ตำราตำราตัวเขียนไว้ดีๆเราเนี่ยก็เลยด้วยความโกรธนะเอามาเผาไฟก็เลย เดียวิวก็พูดว่าอันเปียวสงนี่เป็นชาวบ้านนอกขอหมหาประหาดพาเข้าเฝ้าพระเจ้าหินเตะเพื่อได้เห็นในที่ประสถ า, านอันประกอบไปด้วยสังหาราสีเป็นที่ยำเกรงแก่ศัตรูให้กลัวอนุภาพของท่านจงได้โจโงก็จริงว่าเปียวสงเป็นชาวบ้านนอกจะด่วนพาเข้าไปเฝ้ามิจได้ถัดจานั้ น, นเวลาพรุ่งนี เราจะเอาทหารออกไปซ้อมหักกระดิษสนามกลางแปลงท่านจงพาเตียวสมออกไปดูหเห็นฝีมือฐานของเราจะได้ออกไปเล่าบอกต่อกันไปในเมืงเสฉวนไม่ปราคนรูปหรือปะและเราจะเกณฑ์ฐานยกไปปีเมืองการตังถ้าในเมืองการตังสมคนเนแล้วก็จะเลยยกไปปีเมืองเสฉวนซะเลยทีเดียวโจโฉพูดดังนี้เอียวซิ่วก็รับคำ แล้วก็ขมับลากลับออกไปยังที่อยู่ของตนพอรุอ่เช้าเตียวสิวเนี่ยที่ได้เห็นสติปัญญาของเตียวสงแล้วเนี่ยก็อยากให้เตียวสงได้ทาคุณทําประโยชน์ให้กับโซช์นี่แหละเตียวสิวมีความรู้สึกอย่างนี้ก็ พาเตียวสงออกไปดูทหารท่านปวงซ้อมหัดฝิ้มือกันอยู่ขณะนั้นเจ้าโฉกเกณฑ์ฐานที่มีฝิ้มือที่เรียกว่าทหารเสือนั้นเกณฑ์ฐานทั้นทหารเสือเนี่ยออกไปถึงห้าหมื่นรวแต่แต่งตัวใส่เสื้อห่มเกราะขีม่ม้าถืองาและทวนเป็นอาวุธทันายขวาโดยขบวนคือเป็นขบวนเลยตั้งห้าหมื่น เข้าสู่รบซ้อมหัดกันโอรมานเอก็เรีนยนเยอะโจโฉเห็นเตียวสงเงียนหน้าดูฐานนั้นงพวนอยู่คือเตียวสงนี่รูปร่างตามเตี้ยแต่หมู่เฟ็ดด้วยโจโฉก็เรียกเขามาใ ก, กล้แล้วก็ถามว่าทหารในนูนเสฉวนเหมือนกับฐานของเราเช่นนี้มีหรือไม่โจโฉถามอย่างนี้เตียวสงก็ตอบว่า อันเมืเสฉวนนั้นจะได้ฟองสมผู้คนหัดปือฐานทั้งปวงพวไปปราปรามบ้านอื่นเมืองไกลชนีหนะาหาหนีได้ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นอันประเพณีเมืองเสฉวนปราปรามข่าสุดซึ่งเป็นเส้นหนามนั้นก็ต้องถื อ, อความสัตย์สุจริตเป็นเรื่องหนาดิเดี๋ยวสงเจรจาโอจนี้สกโจโจได้ฟังก็โกรธก็จึงว่า ไม่ขอบขันเกษมานี้เราเองดูก็ไม่ได้เห็นผู้ใดที่จะมีฐานเหมือนเราบรรดาบ้านมืิทั้งพวกที่ขัดแข็งม่ได้คมับต่อเรานั้นเจ้าอุปมา ก, ก็เหมือนหย่อมยญ้าถ้าจะยกฐานไปแห่งไหนก็จะเหยียบที่เป็นผงคลีผู้ใดก็มิอาจจะต่อด้วยฐานเราได้แม้จะปีเมืองไหนก็ได้เมืองนั้นท่านรู้หรือไม่เพียวสงก็ติดวัดสิงหหมาอุปราช ยกกองทัพไปปราบปรามบ้านหนึ่งทัานปวงไปพิศไหนชนะทิศมั้นเขามีเรื่อนเอกระเรื่องอท่านแผ่นดินว่าทันนมีวิชาชำมาญสึดนะก็ะเบิครั้งเงินปัดเอียงรบกับริปโต้เมืองเ อ, อนเสียรบกับเตียวซิวเมืองกังตังรบกับทียวยี่ตำบลพัวหยงรบกับกวนอูนี่ เตียวสงีรู้หมดลำบากมันนี้แล้ะแต่มาตอนนี้สิกีไฟโกรธโโจโโวรือโทิน เ, เลยทีเดียวตอนสุดท้ายที่เตียสมพูดอย่างนี้ตำบลทัวจย่อลกกับวนอูนแล้วแล้วตัดมวดถอเกราะที่ด่านต้องกวนนั่นก็ครั้งหนึ่งนี่เป็นสี่ครั้งด้วยกันเนี่ยข้าพเจ้าก็รู้อยู่ ว่าหาใครสู้ไม่ได้นี่เปียวสงไว้อย่างนี้แต่ต้องฟังให้ดีนะครับพี่เตียวสงยกขึ้นมาอ้านแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่เป็นตอนที่โจโฉย่าแย่ทางนั้นแหละเป็นตอนที่โจโฉย่ําแย่มาทางนั้นเลยเนี่ยโจโฉได้ยินเตียวสงพูดจาดังนี้เนี่ยก็โกรธก็ด่าทีเลยว่าไปหาชาติเกิดนี้ได้ มาเจรจ า, าลำเลิกกุญชนิหาความยำเกรงไม่โจโตก็สั่งให้ฐานเอาตัวไปฆ่าเสียเลยเอียวสีนี่แเอียวสก็เข้มาพูดว่าซุ้งเตียวสงเจรจาหยาบช้าต่อมหาอุปราชแห้เอาตัวไปฆ่าเสือเลก็ชอบอยู่แต่ว่าเตียวสมเนี่ยก็เป็นแขกบ้านแขกเมืองมาถ้าท่านนี้อดโทษให้เสียแล้วกิตทีศัพท์มันก็จะระมือไปทุกเมือง ซึ่งผู้ใดจะมามาทำนับตั้งสื่อปภายพายมากนั้นก็เห็นจะมิมีแล้วเบ็ดต่างก็จะมีความรังเกียจอยู่โจโฉได้ฟังนั่นก็เห็นจริงด้วยละถ้าตนทําอย่างนี้หนี่ต่อไปก็จะไม่มีใครเข้ามาหาตัวเลยฝางก็จะกลัวตายไปกันตามกันละ่ะเห็นด้วยแนมะ่เห็นด้วยอยู่แต่โทษศากันยังมิสงยหโจโฉก็สังให้ฐานเอากระบอง ไล่ตีเตียวสงออกไปเลยตเตียวสงนี่หนีมา จ, าจัดแจงเรียบข่าวของเรียบร้อยหนีไปในเวลากลางคืนถูกไล่ตีตะเพิดตะเลยเปิดเ ป, มเปิมออกมาจากสนามปรองยุทธ์แล้วก็ถึงมาคิดทีเดียวเปียวสงเนี่ยก็คิดทีเดียวนี่แหละด้วยความคิดอันนี้พี่มีอยู่ในตเตียวสงนี่แหละคือเตียวสงคิดอย่างนี้ตัวกู จะเอาเมืองเสฉวนมายกให้แกโจโฉแต่ควรหรือมาก็ททำหยาบช้าต่อกูอีกรอบเมื่อกูจะมาก็ได้ว่ากล่าวแกเล่าจ <zeigen> ิ้งเป็นข้อใหญ่แค่ขอลิ้นแต่สามนิ้มาเจรจามิให้เตียวล่อยกทัพไปประชิดเสฉว น, นแต่บัดเนี้ยก็มิได้สมมุอนปากกูว่าอันกูจะกลับ ใครคนทั้งวงก็จะวะระเยาะเล่นนี่นติวเสิร์มาคิดอย่างนี้เพียเดียวก็นี่นไงด้วยความถือดีเพราะตนได้รอบวาดแผนที่ภูมิประเทศชายภูมิแห่งนึงเสยชวนไว้พร้อมมูลอยู่แล้วเนี่ยแต่เนี่ก็ถือดีแต่ลักษณะประจําตอนอีกอย่างหนึ่งชนิดมันทําให้ยากยากอาทิตจะก้าวขึ้นไปสู่ความก้าวหน้าได้ดีได้เนี่ย ถูกเขาขัดเขตีไปเลยเปิดเปิดออกมาแล้วเนี้เขาตกคิดต่อไปที่เร่อบัตนี้กูมาหูโถกูมิสม่ำแต่กวมคิดก็ จ, จําจะไปหาเล่าปีนื้อเงืนเก่งจิวดีกว่าฟังแยกคายเล่ปีจะดีไรประการใดอย่างไรจะได้คิดอ่านผ่อนผันต่อภายหลังนี่เจ้าสมคิดอย่างนี้คิดจะไปหาเล่าปีละ เดียวสงคิดจันั้นแล้วก็ขับมาพาทหารของตนรีบไปยังเมืองเกิงจิว๋วโดยดังกล่าวแต่ต้นแล้วหกหลงผู้กักเหลียงหกหลงขมเบ่งผู้แจ้งฟ้าและจบดินก็ส่งคนมาติดตาม คอเอาข่าวของเตียวสงอยู่ทุกระยะอยู่แล้วออผมเบ่งรู้พฤติการของเตียวสงที่ไปสู่ฮูโตะไปเวรการใดอย่างไรรู้หมะบัดนี้ผมไม่งก็รู้ข่า ว, วอีกแล้วว่าเตียวสงกําลังมาหน้ามาสู่เกงจิวนี่พอผมไม่รู้ข่าวชนิดและบุคคลชนิดนี้จะต้องทําฉันใดบ้างในเมื่อหกหลวง ต้องการประโยชน์จากคนผู้นี้เรามาดูหกหลกจะทำาพระรู้หมดแล้วผเอเบ่งก็เรียกจูเล้มาทีเดียวนี่ต้องใช้บุคคลสำคัญให้จูเล้งคุ้มฐานห้าร้อยออกไปรับให้จูเล้งคุ้มฐานห้าร้อยออกไปรับเลยทีเดียวนี่คือต้องใช้ทหารเอกทั้นที่หนึ่งนี่เป็นการให้เกียรติแเจ้าจมูกเฟสคนนี้ สงิจมุกเฟดจูล่งก็ไปทีเดียวก็ดําเนินการตามแผนหมาหาบดำเนินการตามแผนที่คงเบ่งให้ไปละคือเมื่อไปพบขบวนของเตียวสงเขาจู่ล่งก็ยอดตัวลงคัมมารด้วยความมอบม้อมทีเดียวแล้วก็ถามว่าท่านนี้หรือชื่อว่าเตียวสงเป็นชาวเมืองเสฉวนมี่ถือว่าเป็นถ้อยคำที่ภพเราะทีเดียว เจ้สงก็รับคำว่าใช่แล้วแล้วก็ถามว่าท่านนี้ชื่อจูร่งหรือจูร่งก็รับคำว่าขบเจ้านี้แหะชื่อจูร่งเอาและวต่างคนต่างก็ลงจากหลังมาจูร่งก็พูดต่อไปว่าเล่าปีมายขบเจ้ารู้ข่าวว่าท่านอุตส่ามาแต่เมืองไกลเห็นว่าผู้คน ม, มือนปล่งเหนื่อเหอนเื่อยร้ามากนะจึงให้ขบเจ้าคุม ขาวของอาหารเครื่องเลี้ยงเนี่ยออกมาต้อนรับท่านหยุดพักกินโต๊ะให้สบายซะก่อนแล้วจึงเข้าไปในเมืองเถอะนี่ต้อนรับอย่างนี้เลยให้นายทหารใหญ่ตีมือยิ่งมาจัดโต๊ะเลี้ยงต้อนรับเลยนี่เดี๋ยวสมได้ฟังงั้นก็ยินงดีก็หยุดอยู่ ดืล่องไวายฐานแต่งโตะอื้นดูตามประเพณีทีเดียวเทียสูงทูกผู้ไม่สื่อจากเสฉวนมาได้รับการต้อนรับอย่างดีก่อนที่จะเหยียบเข้าสู่ธรณีมูงเกงจิวอย่างนี้ เขาต้องคิดทีเดียวว่าเล่าปีนี้มีใจอารีรักคนผู้มีปัญญาจริงเหมือนคำเขาว่านี่เตียวสงถือตัวเองว่ามีปัญญาความจำดีเยี่ยเป็นทีนึงอ่านหนังสือเที่ยวเดียวจาได้หมดอย่างนี้เลาปีมีใจอารีรักคนผู้มีปัญญาจริงเหมือนคำเขาว่าเดียวสงต้องคิดอย่างนี้ทีเดียว กินโตเสร็จแล้วจุ่หลงก็พาเกียวสงมายัางที่พักแขกเมืองอันเรียกว่ากงกวนเอามาถึงกงกวันละกองที่สองละหกหลงจัดส่งกองอที่สองมาอีกคือเอาให้ลอยให้ได้กงที่สองก็กวนอูสิกวนอูคนหนาหนึ่งมาคอยรับขันเห็นเกี่ยวสงมาถึงให้ตีคอกลองมารอรับเลยทีเดียว เรียกว่าจัดขบวนแห่มาเลยทีเดียวละ่ะเพราะว่าอะไรละ่ะพกคนขี้เหอมันก็ต้องแห่กันละ่ะเหกหลงจัดฟั่งให้วออกวนอูขบวนแห่มารับคนขี้เหอจากเสฉวนมีมารอคล้องกรองแห่คำนับกันอย่างเอ ก, ก ร, เร์กเิศแล้วกวนอูนเนี่ยก็เข้าไปคำนับแล้วก็พูดว่าเหล่าปีพี่ขบเจ้ารู้ว่าท่านมาแต่เมืไกล พ่อไ้กบเจ้าออกมาจัดแจงที่พักให้อยู่ให้สบายเตียวสงก็ลอยตัวเลยทีเดียวเรียกว่าตัวลอยเถอะพรมมกอยู่น่รโงกวนที่เขาจัดแจงการต้อนรับตนอย่างดีนั้นคืนหนึ่งอีกคืนหนึ่งรุ่งเชา้ากวนอูจูลง่งก็เปลกเสมือนว่าเป็นขบวนนำเสด็จเถะนะ วนอูจู่ลงก็พาเตียวสงเดินพามาได้ระยะทางประมาณห้าสิบเซนคือกองกวนเนี่ยไม่ได้อยู่ในเมืองนะเอาพักกองกวลแล้วก็เดินพามาอีกประมาณสองกิโลก็ได้พบเหล่าปีและพร้อมด้วยหกหลงฮองสูเหล่าปีพร้อมด้วยคงเบ่งบางทองนี่ขุนแผนมารับคํามาเตียวสงอีกโอ้ เดียวสงไม่รู้เลยว่าตัวเองนี่จะพองไปแค่ไหนแต่พองมากเลยมันก็จะเป็นลูกโปง่งอัดมากไปก็ต้องแตกโป้งล่ะแต่นี่ยังไม่ถึงระเบิดเดียวสงนั่นก็จริงว่าแต่ก่อนก็ได้ยินเขาสรรเสริญถึงท่านอยู่ว่ามีสติปัญญามากครั้งจะมาสนทนาด้วยท่านก็เป็นระเอาระยะหนทางอันไกลท่านมานับบัดนี้เป็นบุญนักหนา ขอเชิญท่านเข้าไปในเมืองเกงจิ๋วก่อนเถอะจะได้สนทนากันเหมือนท่านเอาน้ำมาให้เรากินซึ่งหอบกระหายอยากก็จะคลายนี่เราปีเจราจาดังนี้เป็นการต้อนรับเดียวสมนี่ทำอยู่ทางไกลจะไปสนทนาด้วยกรมบาทบัดนี้มาแล้วนี่มัเปลี่ยนเหมือนเอาน้ำมาให้กินเราปีนั้น ก็พาเตี่ยวสงเข้าไปในเมืองจัดแจงที่เห็นมัน่งอันสมควรทีเดียวแล้วก็ให้แต่งโตมารื่งดูกันอีกผูดจากันตามประเพณีละแต่นิได้พูดความเมืนมนี่ด้วยความปรารถนานะปรารถนาเมืองเสฉวนแต่ไม่พูดถึงความเมืองเสฉวนไม่พูดมีวิธีการที่หกหลงเสี่ยมสอนบอกกล่าวไว้แล้ว ทำประการใดอย่างไรเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้ทำที่อยากได้สิ่งเนี้ยเตียวสงเห็นเนา้อปีพูดจาเต็เนื้อความอย่างอีนีน่ได้ว่าเนื้อความทุวเรื่องเมืองเสฉวนเลยก็แกลงผามขึ้นทีเลยว่าท่านมาเป็นใหญ่อยู่ในเมืองเกงจิวนี้มีหวัวเมืองขึ้นเนี่ยสักกี่เมืองนี่เตียวสงชวนเจราจาความเมืองขึ้นดังนี้ ผมเบ่งก็ชิงบอกเลยทีเดียวละต้องพูดก่อนเราไปพูดเดี๋ยวจะผิดทางที่ตนวางไว้นี่ผมเบ่งก็ชิงพูดขึ้นทีเดียวว่าเมืองเกงจิ๋วนี้นายของเราขอยืนสุ่นกวนเจ้าเมืองกลางตงเขาอยู่หรอกนี่เป็นสิทธ์เก็บตัวเองเดี๋ยายของเราก็เป็นน้องเคยสุ่นกวน หรือออกปาดยืนเขาเสียนิจได้ก็จำใจให้อยู่ทุกวันเนี้ยเขาก็เวียนมาทวงจะเอาคืนรำคาญใจไม่รู้ที่จะผ่อนผันได้เลยหกหลงกล่าวไปดังนี้ เ, เรียกว่ายากจนย่ำแย่เลยเดี๋ยวส่งก็จริงว่าอันเมืองการต่างแนะ่เป็นหัวเมืองเอกแล้วก็มี หัเมืองพีเอกขึ้นอยู่ถึงหกหัวเมืองหัวเมืองแชนตรีก็มีถึงแปสิบเอ็ดหัวเมืองแต่งตั้งเนี่ยสารพัดที่จะบริบูรณ์ร้อมูลทุกสิ่งทุกประการผู้คนก็มากมายหนาหนายังไม่อิ่มใจอีกหรือแต่เมืองเกงจิวเท่านี้ยังเฝ้าทวงอยู่อีกเรานี่แม่เดี๋ยวสมเขาหว่าในฐานะผู้ใหญ่ทีเดียวละ่ะเขาใหญ่มาก บางทองฮองสูยอดเสนาธิการคนที่สองของเหล่าหยวนเต ป, ปีก็พูดในนอบน้อมทีเดียวว่าข้าปีมาเหล่านี้ก็เป็นเชื้อสายพระเจ้าฮิ่นเตปแต่เมืองสักเมืองหนึ่งก็ไม่มีอยู่จะตั้งตัวก็มิได้ต้องกลับไปงอ้อขอยืมเมืองเขาอยู่ให้สัตรูบังคับใช้แค่นี้หาพอที่ไม่เลย เบ็นว่าอย่างนี้บังท้องว่าดังนี้เรล่าปีก็พูดขึ้นทีเดียวละว่าท่านทั้งสองก็อย่าว่าเช่นนั้นเลยวาสนาข้าพเจ้าน้นนอยกดตามแต่บุญเถอแต่เพียงนี้ก็เป็นสุขอยู่แล้วข้าพเจ้าไม่คิดที่จะเป็นย่างให้เกินวาสนาดอกรอล่ปีพูดดังนี้คือแสดงว่า มักน้อยและสันโดดเป็นที่ยิ่งแล้วนะเดวสมส์ก็จริงว่าตัวท่านก็เป็นเชื้อสายพระเจ้าเฮียนเตผู้คนท่นพวง ก, ก็สรรเสริมมีความรักใคร่มากอย่าว่าจ ะ, จะชิงเอเมืองเกงจิวเท่านี้เลยอันว่าาสนาท่านถึงตั้งตัวเป็นเจ้าแทนพระเจ้าเฮียนเตก็คงจะหามีใครนินทาไม่มี ท่านเตียวสงผู้หยิงใหญ่พูดดังนี้หลาเปีก็ยกมือคำนับแล้วก็ห้ามว่าท่านจะได้เอ็ดูเธออย่าว่าเช่นนั้นเลยเกินว่าสนาเรานักหาสมควรไม่แต่ลาวปอเกาะแกล้งชวนพูดแต่เนื้อความอื่นๆนี่พูดถึงเรื่องอื่นไม่พูดถึงความเมืองไม่ปรารถนาบ้านเมืองตั้งเนื้อต่ง้ง ต, ง, ง, ตงตัวเป็นใหญ่เป็นตัวประกระันนดยอย่างไรไม่ปราถนาทั้งสิ้น ก็ได้แต่แตแตงโตเลี้ยงพูดคุยสนทนามากันอยู่เช่นเนียเรียกกันว่าพูดกันแต่เรื่องไเป็นเรื่องอยู่เนี่ยสามวันแล้วเตียวสงเนี่ยก็จะทำมาบลากลับไปเมืองเสฉวนละเพราะว่าเขาก็ไม่ได้พูดเรื่องความเมืองกับบนตนจ้เมืองมาให้เขาแต่ก็ไม่กล้าที่จะเอ่ยปาเมื่อเตียวสงจะกลับ หลาปีก็คุมทหานมาส่งถึงนอกเมืองแล้วก็ให้มีการแต่งโต๊ะเลี้ยงส่งท่านเตียวส่งพูดผู้หญิหงยายแหงเสฉวนอีกเป็นยังใหญ่โตทีเดียวอ่ะตอนนี้เลี้ยงส่งละจะกลับแล้วต้องพูดว่าเกแผนการฮกหลงนี่มันไม่สำเร็จจะรอยังไรก็อยากจะ ได้เสฉวนเนี่ยใจจะขาดแต่ฮกหลงคงเบ่งวางแผนให้อย่างนี้คือว่าไม่ต้องพูดไม่ต้องคอไม่ต้องแสดงแนมะ้แต่ความปรารถนาออกมาแต่อย่างใดทั้งสิ้นเนี่ยเอาสิเขาจะกลับละคือเตียวสงก็ไม่มีโอกาสจะพูดถึงเหมือนกันเปล่าปีก็เกิดทัออกมาจัดเรือ่องทรงกันอย่างดีเสร็จแล้วก็พูดว่า ท่านมาถึงเงิงเก่งจิ๋วข้าพเจ้าก็ได้ชักชวนท่านไว้ถึงสามวันได้สนทนามาด้วยกันก็มีความสบายบัดนี้ท่านจะจากข้าพเจ้าไปแล้วและเมื่อไรเราจะได้พบกันอีกรอบว่าแล้วเราปีก็กระทำร้องไห้นี่ครับระบุไว้ย่างนี้เลยนะครับจากจะบับเจ้าไรยาประกลางนนี้ระบุไว้ชัด แจ้งเลยว่าแล้วเล่าปีก็กระทำร้องไหง้คือเราปีนี่มีวิชาติดตัวอันเนี้สสำคัญที่สุดหบหลงก็ให้ใช้วิชานี้ใช้สิ่งที่ตัวมียู่แหละร้องไห้แล้วสิพี่องสมเห็นันก็ให้คิดเอ็นดูเล่าปียิ่งนะก็จริงว่าตัวข้าพเจ้าทุกวันนี้ก็คิดว่าจะใข่มาอยู่ด้วยท่าน ให้ท่านเดกใช้สอยแต่ว่ายังไม่ได้ท่วงทีอันชบกนเลยอันหนึ่งท่านจะตั้งอยู่ในเมืองเกงจิวนี้ก็จะไม่เป็นที่มั่นได้ดึกฝ่ายตะวันออกนั้นสุ่นกวนก็เป็นศัตรูข่านพิษเหมเาโจโฉก็จะมาย่ำยีที่ไหนจะมีความสุขท่านอยู่ชนิด มืนอยู่ในถ้ำกลางใจไฟมีเปียวสงเขาว่ายังนี้ที่เห็นกเห็นจใจเราปีมากเราปีก็จริงว่าเราก็รู้ว่าจะอยู่ในเมืองเกงกิวเนี้ยมีสบายแต่ท้ว่จนใจด้วยทุกวันนี้ไม่มีที่จะเล็งเห็นว่าที่ไหนจะเป็นที่พื้นที่อาศัยได้เราปีก็ทําเป็นไม่รู้อะไรต่อไปนี่แหละ พูดเราไปอย่างนี้ไม่รู้จะไปสายที่ไหนเตียวสงก็จิงว่าอันเมืองเสฉวนนั้นเนี่ยภูมิ่านก็กว้างขวานผู้คนก็มากข่าปลาอาหารเนี่ยสารพัดจะบริบูรณ์ผู้มีสติปัญญาท่านปวงก็นับถือท่านว่ามีใจอารีรอบขอบปรากฏอยู่แม้จะยกหานไปตีเมืองเสฉวนนั้นแต่ชี้มือไป ก็จะได้โดยง่ายนิพักลำบารแกฐานทั้งปวงเห็นจะตั้งอยู่เป็นสุขได้เตียวสงทู่ผู้ไม่สื่อแห่งเสฉวนกล่าวดังนี้ข้าวปีก็จริงว่าอันเหล่าเจียงเจ้าเมืองเสฉวนก็เป็นเชื้อสายพระเจ้าเยียนเตแล้วเหล่าเจียงก็ได้ทะนุบำรุงอนาประชารัตดอนมาแต่ก่อน ผู้อื่นหรืออาจจะไปทำร้ายได้เตียวสงก็จริงว่าท่านว่านี้ก็ชอบอยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่เป็นคนขายเจ้านี่เตียวสงเขาออกตัวก่อนทีเดียวอะว่าเขาไม่จะเป็นคนทรยศอะแต่ว่าได้มาพบท่านแล้วเนี่ยก็ให้มีความเอ็นดูก็จะขอบอกขึ้นรึหนักเบาทั้งนี้ให้แจ้งเดี๋ยเหล่าเกียงนั้น เป็นเชื้อวงก็จริงแต่เป็นคนโลเลหาสติปัญญามิได้แล้วก็ไม่รู้จักเลียงคนดีอันนี้เดี๋ยวลออยู่ข้างฝ่ายเหนือนั้นก็จะมาทาอันตรายผู้คนทั้งปวงก็เรรวนแต่เจาใจออกหางถ้าเหมือนท่านฉันนี้ยกไปเนี่ยคนทั้งปวงก็จะมีความยินดี จะเข้ามาหาท่านเป็นอันมากซึ่งขพเจ้ามาบัดเนี้ยก็ปรารถนาจะเอาเองินเศษชวนไปให้แก่โจโฉแต่เห็นว่าโจโฉน่ะเป็นไอ้ศัตรูแผ่นดินโอหังถูอตัวอวดดีลบอูผู้มีสติปัญญาเสขยขบเจ้าจะยกเงินเศษชวนให้แก่โจโฉก็หาต้องการไม่มีเตียวสงเขาว่าอย่างนี้ ข้าพเจ้าจึงแวะมหาท่านหวังจะบอกเนื้อความทางนี้แหละขอให้ท่านคิดผ่อนผันดูเถิดถ้าได้เมืองเสฉวนแล้วก็จะได้คิดอ่านทําการเอาบ้านเมืองทั้งปวงเห็นจะได้เป็นใหญ่เหมือนความปรารถนาแม้ท่านเป็นใจายเจ้าเมืองเสฉวนมั่นคงจริงแล้วข้าพเจ้าจะรับเป็นธุระทาการท่าในใหม่ให้มิได้ขัดสนเลย ท่านนี้ข้าพเจ้ายังนีิแจ้งว่าท่านจะคิดทําการเป็นประการใดเดียวสงว่าดังนี้เราปีก็จริงว่าท่านว่าทัานนี้ก็ขอบใจหนักหนาแต่ว่าเราจนใจด้วยเหล่าเจียงนี้ก็เป็นคนแท้เดียวกันถ้าเรายกไปทําร้ายคนทั้งปวงก็จะนิพากันตดฉินมินพาเราหรือเดียวสงก็จริงว่า อันธรรมดาเกิดมาเป็นชายเมื่อปรารถนาจะเป็นใหญ่แม้ได้ทีที่ไหนก็จะทำการที่นั้นอันจะคิดรังรออยู่กลัวแต่ความมินพาชนินานไปเมื่อหน้าเป็นของผู้อื่นแล้วจะคิดอ่านทำการต่อภายหลังก็จะไม่ได้ความเดือดร้อนเสียใจอยู่หรือเหล่าปีก็จริงว่า ท่านเด้เมตตาสั่งสอนข้าพเจ้าทางนี้เป็นคุนนักหนาแต่ว่าเมินงเสฉวนนี่เราก็แจ้งอยู่ว่าลู่ทางกันดานเป็นซอกห้วยทานเขาจะเดินเหินนั้นยากลําบากนะักมาลาจะไปก็ขัดสนถึงจะคิดอ่านทําการนั้นนะ่จะอุบายผ่อนผันโดยการใดดีเราปีว่าจะมีทีเดียวเดียวสงก็แหวก อ, กอกเสือ้อ ชัดเอาแผนที่เมืองเสฉวนที่ตนเขียนไว้อย่างดีแล้วนะ่ะออกทรงให้แกเล่าปีเลยทีเดียว เ, เรื่องราวของสามก๊กในตอนนี้นะครับ เ, เป็นเรื่องของเมืองเสฉวนหรือเอ็กจิวเอ็กจิวก็เรียกไหมครับเสฉวนก็เรียก แล้วก็ลงไปสําคัญตรงเหล่าเจียงเหล่าปีนี่แหละเอาละเหล่าเจียงนี่เขากล่าวว่าเป็นผู้ ม, มีปัญญานี่มาพูดถึงเหล่าปีก็มีหลายผ่านหลายคนที่ว่าเหล่าปีเป็นผู้มีใจอารีิตัณา น, านาประการบอกเป็นคนดีนะครับแต่อีกด้านนึงที่เขามองนี่เหล่าปีเป็นคนอักตันยูไม่รู้จักคุณคน โจโฉไปเลี้ยงไว้ยังกลับคิดร้ายแกโจโวผู้มีคุณไปอาศัยสุงควนเหล่าก็ไปกิงเมืองเก่งจิ๋วของสุนควนเขามิได้สื่อตรงต่อผู้ใดซึ่งท่านจะไว้ใจเหล่าปีละรับเข้ามาในเมือง น, นี้หน้าที่จะเกิดอันตรายเป็นมั่นคงมีอ่าปองลุยไม่เห็นด้วยที่เหล่าเียงจะรับเราปีเข้ามาในเสฉวนเพื่อการ ป้องกันข้าศึกศัตรูที่จะมาย่ำยีบีธาเสฉวนปองรือนนเข้ามาทัดทานอย่างนี้เาลาวเทียงนี้ก็ได้ฟังจากท่านผู้นี้เลยจนรัฐัดดีต่อบ้านเมื่องเลยคือเปียวสงฟังเปียวสงเข่า ว, วดจิงเด็กปากดีไปฟัง แต่บ้านอย่างนั้นตอนนั้นเหล่าเงไม่มีสติปัญญาที่จะตัดสินได้ว่าอะไรถูกรปิดด้วตนเองหรอและคอนนี้เูาเห็นเลยว่าองลีอีกวนสองคนนีมาพูดาที่แก้งหนิมมึงก็ฟังไม่ขึ้นเรลาเียงกระหวาโอเลรกเดียวอะเรลาปีเป็นแค่เดยกกับเราที่ไม่จะคิดไรกับพี่น้องบัวท่านมาว่าแค่นี้ไม่ควรนะแล้วก็สาหาสจับตัวองลีกับอีกวนออกไปแล้วก็เรยเหยีหเก่ง รีดถึงสีเดินทางไปยังเมืองเกิงจิง๋วเมื่อวานความมายุติลงตรงนี้เสฉวนเรารู้กันละว่าต้องเสียให้แก่เล่าปีแต่ว่ากว่าเล่าปีจะเข้าเสฉวนได้ก็ป่า พ, าพิทักษ์พิทุนเพราวะภาวุนพ ร, ะ, พระอุปโะนมอีทีเดี เราดเ็นะเราจะกล่าวกันอย่างไรเพื่อทะนยุตต์่อเสฉวนต่อเล้าเกีย้ยนเขากรณี้ด็กกล่าวไว้ในที่นี้ก็ออกกัน อ, กกออกเดินทางจากเสฉวนพุ่งสูเกีว่วอเอาไปถึงก็เอาไปขมับเาปีส่งหนังสือให้เหลาปีเด็กแในหนังสือฉนั้นน่ะก็ะมีความยินดีนัดปีเดียว อันนี้ก็เป็นอันด้วยมึดย้อนไปถึงเตียวสงได้เลยทีเดียวอ่ะเตียสงได้ดําเนินการตามแผนการให้แล้วล่ะที่แค่เราปีเข้าไปกินเมืองเสฉวนให้ได้นี่เอาเราปียิงดีให้แตงโตเรื่อหวัวเจีตามประเพณีขนะดู เ, เสศุราอยู่นั้นเราปีก็จริงว่าเตียวสงอ่ยได้บอกไปข้าบเจ้า ออกชื่อถึงท่านพวกมีสติปัญญาน้ำใจอารีข้าพเจ้าก็มีความยินงดีนักยู่บัดนี้ท่านก็ได้มาดถึงได้เห็นหน้าขอธรรมมาด้วยกันนี่เป็นบุญนักหนา่ากินก็กินไหวข้ า, เ, ขาเจ้านี้เป็นคนบางนผู้น้อยใครก็ไม่สู้นักถีแต่ว่าเตียวสงูงมาบอกออกชื่อ ถึงท่านก็มีใจยินดีด้วยที่ขบจามาณบัดนี้ก็หวังจะไข่แจงวาเดียวสงมาเจรจาไว้แต่ท่านนั้นท่านก็ยังมีความวิตกอยู่หรือนี่หัวเจงถามขึ้นอย่างนี้ตลาดปีก็จริ้งวัดตัวขบจทุกวันนี้ก็อาบพับแผ่นดินทั้งแผ่นดินอแต่จะหาที่อาศัยก็ไม่มีต้องยิมเมืองเขาอยู่ คิดมาก็หน้าเวทนาแต่นกยังมีกิ่งไม้จับเปิดมาเป็นคนไม่มีที่อยู่ก็มาสมเพศสึ่งเดียวสงมาว่าไว้นั้นข้าพเจ้าก็คิดอยู่แต่ก็ตนใจด้วยเหล่าเตียงก็เป็นคนแฝดเดียวกันไม่รู้ที่จะคิดเลยปวดเกียงก็จริงว่าอันมีอเสฉวนเนี่ยภูมิฐานมั่นคงบริบูรณทุกสิ่ง โดยฉวนเป็นผี่มาโดนฉวนบืนกว่าทุกเดือนถ้าพูดใดหาสติปัญญานิได้ถึงจะตั้งตัวเป็นใหญ่ก็คงจะต้องเป็นของอื่นบัดนี้เราเตรียมให้มีนังสือมาถึงท่านอีกก็เหมือนอามือมายกให้ท่านเป็นวาสนาของท่านแล้วขออย่าได้ทิ้นดวงเสฉวนเฉลิมท่านจะคิดการไปเรื่องมากนั้นข้าพเจ้าจะทะลุบั้มบูร์ให้สำเร็จ ถึงจะตายก็ไม่เสีไดย้ยแกชีวิตเล ย, เยวุฒิเจงไหวอย่างนี้เลยทีเดียวเรายปีก็ยกมือคำมากว่าขอบใจท่านมักหนาคั้กินโตเซตุรากันแล้วของเบกก็สั่งให้จัดแจงที่อยู่แก่วุฒิเจงแบบสายตามสมควรบางทองเลยงทองตอนนี้ได้รับการยกย่องเทียบเท่าของเบกแล้วไม่ใช่บางทองคน ถูกเบียถูกย้ำโดยมีความอั ป, ประในรูปร่างอยู่มังทองเนเห็นล้าปีนั่งง่วงรำพึงอยู่ก็เข้ามาพูดว่าอันธรรมดาผู้มีสติปัญญานั้นแต่จะคิดอ่านทำการสิ่งใดถึงจะเป็นใจก็ดีไม่เป็นใจก็ดีก็ย่อมกลาวให้แตกฉานปรากฏออกมาจะนิ่งรำพึงวนเรยอยู่ ก็เหมือนคนหาปัญญานิได้ตัวท่านก็ประกอบด้วยสติปัญญาจะมานั่งม่ปกถอยหน้าถอยหลังอยู่จนน้หากวนไม่มีบางทองเข้ามาตำ ม, มีเอาอรทีเดียวละลาวปีก็จึงว่าที่ท่านวาดทีนี้ก็ชอบอยู่แต่ถวะกรรเจ้ามารพิเคราะห์ดูก็ยังไม่รู้ที่จะคิดเลยสติปัญญาของท่านว่าเห็นประการใด คือราปีก็ยังพวักพวลใจต่อการติดจับเข้าไปสู่เสฉวนนะ่ะคือเข้าไปในรถขนาดตนเข้าไปช่วยเสฉวนให้หรอกพ้นจมมากอำมาจบาทใหญ่อย่างดีมีพาข้องเดร่ยลเห็นดีเหันตรงและจากของโจโฉแห่งหูโตเรอปีเข้าไปในรกษนานี้แต่แล้วก็จะให้ยึดบ้านยึดเมืองเขาโะโลยีนี่สิ เป็นความภาวะภวนใจอยู่อะบางทองนั้นก็จริงว่าอั น, นเงินเกงิ๋วนี่ยข้างตะวันออกนั้นสุนกวนก็เป็นอริกอยู่ฝ่ายทิศเหนือนั้นโจโฉก็เป็นศัตรูทุกวันนี้เกงจิ๋เหมือนอยู่กลางไฟโดยศัตรูนั้นอยู่รอบตัวอั น, นเงินเสฉวนนั้นผู้คนก็มาพร้พรอม รัพ ส, สมัตรทั้งพวงก็บริบูรณ์เห็นจะเป็นที่ตั้งตัวให้เป็นสุขได้บัดนี้เตียวสงวัดเกง่งทั้งสองนี้ก็มีใจพักดีต่อท่านจะช่วยทะนุบำรุงเหมือนเทพยปยดามาชีสขมทองให้เหตุช่ไหนท่านจิงยังมีความวิตกกังวลนั่งนิ่งอยู่เชนนี้อีกราบบางทองว่าช่นเนี่ยคือไม่ต้องวิตกตกังวลอะไรแล้ว เมื่อปีก็จึงว่าขุนขบเจ้ามีความมิโตกท้งนี้เหนื่เยและโจโฉกับขบเจ้าทําการทุกวันนี้เหมือนม้ามกับเพลนอันโจโฉนั้นดังไฟมักทำให้อนาประชารัฐบาลได้รับความเดือดร้อนเพราะใจกำเริบยากช้าใหญ่หลวงโดยตัวขบเจ้าอุปมาเหมือน ม, าม้าจะทําการสิ่งใดก็ตั้งใจแต่แค่เป็นคุณเป็นประโยชน์ ปราถนาจะรักษาประชาราธาะระไองให้อยู่เย็นเป็นสุขโดยใช้ผลความศัตย์ของเราจนได้มาตั้งตัวอยู่ถึงเียนี้และจะละความศัตย์นั้นเสียเพราะเห็นแะทัพย์สมบัติทำให้ิดธรรมเนียมนั้นเราทํานี้ได้นี่เป็นความนี่บอกว่าเป็นความจริงใจของรอบปีประกานี้ที่เราปีเกิดทำการใดไม่ขึ้นก็เด็ดปิดดีด ประการนี้แหละแม้แต่เกงจิวเองแต่ก่อนนี้นก็ไม่กล้าที่จะยุดิจะทำของเบงกล่าวแนะนำบรรทุกประการรอบปีก็ไม่ยอมกระทาตามช่วยช่วยนี่ก็เช่นกันอีกแหละมีใจราวระภาวนาดีดังนี้บางทอมันเด็ฟังรอบปีพูดมถึงตรงนี้เนี่ยก็เตรีพูดขึ้นมา อันซึ่งท่านตั้งอยู่ในความศักด์นี้ก็เป็นที่เทวดาและมนุษย์สรรรญควรอยู่แล้วแต่แผ่นดินทุกวันนี้จะไม่ได้เป็นปกติตเกิดแกามาจนต่างๆผู้คนกลุ่ของรักษาตัวนิวังดูซึ่งท่านจะถือความสักด์ให้มั่นคงอยู่นั้นก็มิได้ประธรรมดาภัยมาถึงตัวแล้วก็ย่อมจะรักษาตัวก่อน มือเสฉวนมันควรจะยืมมาไปที่อาศัยแต่พอสงบอันตรายถ้าเป็นนิรักถ้าไป็รปตินี้สุกแล้วจึงค่อยสนองคุณท่านมิถาหลังโดยสมควรให้สิ้นความกระหารมิพาจะนิดีหรือถ้าทางนิคิดเอามือเสฉวนแบบนี้มาไปเบื่อหนักเสฉวนที่อุดนฝนแชนนี้ก็ะจะตกเป็นของอย่อืน่น ละจะกระทึกทำการเมื่อภายหลังเห็นจะไม่สำเร็จจะป่วยการแก่สติปัญญาของผู้ทิดช่วยอุปถัมภ์จเปล่านี่คือเหตุผลของบังทองข้าตื่นได้ฟังดังนั้นผู้ริงพูดว่าอันพ้ยคำของทู้ที่ฟังสอนทั้งนี้ควรเ จ, จริญรู้ไว้แผ่นทองเพื่อสอนใจไปเช้าค่เราบปียอมรับ คำของบรรทอนทีเดีบตก็จึเรียกหาของเบ่งเข้ามาปรึกษากันทุกการติดใจยกกองทัพไปมุ่งเสฉวนของเบ่งก็จิงว่ามืงเกงจี่เนี่ยก็เป็นที่สำคัญนะจะยกฐานไปแับนี้จะไว้ใจราชการภายหลังนี้ก็มิได้จําจะต้องกักเกณงคนไล้อยู่รักษาเกงจี๋นี้หนุนหลับปี่ก็จึงว่าทุกท่านว่าชะนี้ชอบมั้งถ้าตอนนั้นตัวขบเจ้า มันทองวีอเอียนห้องตรงแต่คุณผานยกไปเมืองเสฉวนตัวท่านกับกวนอูเตียวหุยย่ยจูลงจนอยู่รักษาเมืองเกง ก, กิววถอะวีราปีรับจะกระทำแบบนี้รีบเอาคนใหม่ไปทท้งนั้นเลยมันทองวีอเอียนนี่คนที่ของเบ่ง สั่งะหารเดินมาเลยทีเดียวล่ะห้องตรงมีกรอบนายทหารผู้เฒ่าแต่เข้มแข็งกล้าหาญหิ้งรือยินมอาว่าปีขอไปเท่านี้ผมเองก็รับคำให้ค hey, นอู่อยู่รักษาคนทรงโยนมีจัดการทีเดียวเดี๋ยวผมนี้เป็นกองตระเวนรักษาหัวมือทั้ง4ซึ่งปีได้มาใหม่ใมและให้จูนลงไปอยู่รักษา เมืองกาเหล็งผมได้จัดการดบบนี้ทางบ้านนี้ทั้งรอบปีนั้นป้ตั้งให้ห้องตรงเป็นกองหน้ามีเอียงเป็นกองหลังคุบาทห้าหมื่นพร้อมไว้คอยเลือกที่จะยกไปเมืองเสฉวน ขนาดมันเลี้ยวหัวถึงเป็นโจรป่าอยู่อยู่นะเขาหน้าด่านมูโตคุณพวกเพื่อนเข้ามาอยู่ด้วยเหล่าปีมีเลี้ยวหัวคือขณะที่เราปีจะเปลี่นทับจะยกไปเฉลี่ยฉวนนะเรี้ยวหัวก็มาสามีพักเหล่าปีก็ให้ไปอยู่รักษาเมียนทงหยงกับกวนอูครั้งได้เลยแล้วเหลาปีก็ยกทับไปทางประมาณ 2, สองพันเซ้น ก็ไปพบเบงตัดนี่ไงเหล่าเทียงสมเบงตัดมาควารับเหล่าปีนี้ไปพบเบงตัดคุมหานห้าพัน 5, มาควารับอยู่เมื่อได้พบได้คมุมากันแล้วเบงตัดก็บอกว่าบัดนี้เราเทียงมาอีขาบาเจา้าให้ขาบาเจ้าคุมหานออกมาควารับท่านเหลาปีก็มีความยินดีให้คนถึงสิรีไปแจ้งแต่เหล่าเทียงก่อนเดี๋ยวมาเร็วแหะมาเร็วรี่ไปก่อน มาเร็วเอานังสือไปแจ้งแกเหล่าเจียงยังเสยชวนเรล่าเียเล็กแจ้งไปนั้นก่อนหนงสือไปถึงมึงรายทานว่าถ้าเหล่าปียกมาถึงตำบลใดก็ให้เลียงดูทาหารทั้งตังตวอย่าให้อดอยากขัดสนได้จนกว่าจะเข้ามาถึงเสฉชวนแล้วก็จะทั้งสาม0มื่และรถสำหรับขี่มีสัประทนเครื่องแหรคำว่ารถรถในที่นี้ จะเรียกว่ารถยนจะเรียกว่ารถมาหรือจะเรียกว่า ร, รถเทอร์ร็อกยังไรก็ได้นะครับแต่ไม่โปรดเข้าใจมันคนละยุคคนละสมัยต่างกันเกือบสอง0ันปีอย่างนี้อ้าวจากกื้นื่อนแห่ท่านลงสิ่งของเงินทองจะออกไปรับรอปีณตำบนต้นเสียก็มีขวนนี้แหละมีขวนต้องเรียกว่า ขุยขวนยัมีความเจรจาพอดีต่อเล้าเตียงนะและก็มีความทรจาพอดีต่อแผ่นดินเกิดคือเสฉวนของตน ม, มากอยู่ทีเดียวไม่เห็นด้วยเลยที่เหล้าเตียงก็ทําอย่างนี้เหาเตียงจะรับเหล้าปีมาเข้าเมืองก็หวังว่าจะให้เหาปีต้องกันอริราชสัตว์ตัวให้โดยหาดิคิดไปไหมว่าเหล้าปีจะเข้ามาอินเมืองเสฉวนและเล้าเตียงมีแล้วจะไม่มีที่อยู่啊 มีขุนพัดทานแต่แรกดูแลจนมาบัด น, นี้เนี่ยเห็นเราเพียงจัดแจงทหารข้าวของต่างๆมาประการกับรับรอบปีก็เข้ามาพูดว่าตัวขบะเจ้ า, ามาทำราชการอยู่ด้วยท่านท่านก็ได้ทะนุบำรุงขบะเจ้ า, าให้ได้กินเบี้ยววัดภาปีมาช้านานแต่ยังม่ได้ทำความชอบสิ่ใดสนองคุณเลยบัดนี้ท่านจะไปรับรอบปีนั้น ข้าพเจ้าเห็นนิชอบขอห้ามท่านไว้ให้ยักยังก่อนซึ่งท่านจะออกไปบักนี้หน้าที่จะเสียดิกลของเราตีเป็นมั่นคงจนกลายก ร, รดูให้ถี่ท่วนเถอะอือดูกล้วยก็ถ้าจะเรียกว่าคลานก็มากราบที่แกงอย่างนี้เดียวสงเจของแผนการยกเสฉวนให้แกเหลวยนเตปี่ เตียวสงก็จริงว่าอันอุ้ยวนมาห้ามปรามพัดทานท่านทั่านี้กบเจ้าเห็นว่าจะเป็นประโยชนสิ่งใดประการใดก็หานิ่ได้เป็นแต่คนวิทยามีแต่จะให้ทา่านปักที่ตัดน้องให้ขาดกันปราถนาจะให้เป็นเสีย้ยนหนามไปอีกมีเตียวสงอ่านยานี้ีเราเยงก็เชื่อเตียวสง ขันใจระหว่างมีกวนทีเดียวอ่ะท่านอย่ามาเจราจาสาวซื้ออเลยเราคิดเห็นประโยชน์แน่นอนอยู่แล้วเรามิได้เชื่อฟังกันมีกวนนั้นน้อยใจนักก็เอามามาห้ของตอนมาผ่านเนี่ยแลแทรกลงกับพันธุ์ิราเป็นมากาแตกโลหิตไหลออกมาแล้วก็เอาป่ากเนี่ยเข้าไปกัดชายเสื้อเราเตียงดินวัดนิยอมไม้ออกปาก เหล่าทนะินี่ยโกรเป็นกำลังก็กระชากชายเสื้อสมาต่อมาวีขวัญ ก, ก็ไม่ยอมปล่อยคือปากก็คงนับกัดเชื่อไว้อย่างนั้นนะจนเหล่าทิ้งก็กิะชากจนฟันหักลูกรมาสองซี่นี่ดูเถิดวดีขวอ่ีขนี่ต้องต้องนับว่าอย่างเหนียวแน่นมากแต่ก็ทามแรงกระชากไม่ได้ฟันหักลูกรมาสสงซี่แล้วเหล่าทิ้งกดถานจัโตัวีขัออกไปซ่ อุยขวนก็ร้องไห้กลับบ้านไปคือไม่อาก จ, จะพัดผ่านเราเทียงได้อีกผู้นึ่งตาอลีอิหรืออิงนี่แล้ว ก, ก, ก็เข้ามาร้องห้ามว่าท่านไม่้เชื่อฟังเท่าคำอุยขวนพัดผ่านชะนี้จะถึ้นมาไปรับรอบปีนั้นเหมือนไปหาที่ตายเองแลยจะรับรอบปีก า, ามาใ น, นเมืองเสฉวนนี้ก็เห็นจ้าหนุนรับเสือเข้ามาไว้ในบ้าน เอาลินงอเข้าไปผู้นี้คนอีกเราเชื่อว่าอันเล่าปีนี่เป็นคนแท้เดียวเป็นกับเรามือีิ้งจะไาคิดร้ายต่อเรามมพผิดไปถอยทั้งทั้งต้นในราไม่ขออิงว่าแล้วค่อยทั้งขับ<ะ>อิน่งออกไปเถอะเดียวสงเจอของแผนตามหมอกเสยชวนให้แกเล่าปีเนี่ยก็เชืว่าแกเล่าเตียงว่าอันคุณนมาทั้งตัวเหล่านี้เสียแรง ที่ท่านเลี้ยงดูให้กินเนื่อวัดภาคปีมันจะเกล่าเ ล, ล่าหามีความกระตันอยู่ไหมมีประโยชน์มีแต่จความสุขแต่ปัวเลี้ยงบุตรญาสบายใจนี่จะสืบต่อด้นยท่านถ้ารอยจะคิดร้ายมันจะคิดทําร้ายท่านเป็นมั่นคงนคร้ราวปีเข้ามาก็คนเหล่านี้ก็คงจะขัดขวางทําการไม่มิถนัดกินแกล้มมาว่ากล่าววิทยารอบปีไม่ยอมให้ข่าวสวยฉวนดังนี เตียวสงก็ไปกล่าวดังนี้เราเพียงก็จิงว่าอันท่านว่าทางนี้เป็นประโยชน์แกขา้าพเจ้าจริงจริงมิเสียแรงเลยว่ารักเราเราเพียงว่าแทนนี้โดยหารู้มไม่แม้แต่น้อยว่าเตียวสมนี่แหละจะเป็นผู้ทําลายตนทุกประการ เปลาเ้าเลาเกีก็ให้ทหารออกไปรับเราออปีก็พอดีารคนนึงเข้ามาบอกว่าบันนี้องลีองลีก็มุทิพักทานเปล่าเกียงอย่างนักเลยเนี่ยบันนี้องลเอาเชือกผูกห้อยตัวเองอยู่ที่ซุ้มประตูเมืองมีอนึงถือนงสรรือมีอนึงถือกระบีร้องว่า หนังสือนี้เราฟ้อเจ้าฟ้องเจ้าฟ้อเจ้าฟ้องนายถ้าฟันเราก็แล้วไปถ้ามิฟันเราเราจะกระบีนีเชือกให้ขาศรีรษะจะได้ตกลงมากระแพกกร้ถึงแก่ความตายเสียคือองุ่นนัตายคือเชื่อกผูกตัวเองเข้าไว้แถ้ากระบีตักเชือกตัวเองก็ลงตกลงมาศีรษะก็จะพุ่งลงมา จะกลัวเองจะตายนี่วิธีประตวงที่นีเป็นแบบขบับดั้งเดินที่ยังไม่มีใครตั้า น, นํามาใช้ในปัจจุบันนี้ใครจะเรียนแบบวิธีประทวนี้ไว้กอดดักไหครับองครู้ใช้วิธีเนี่ยเปิประทวูแบบเนี้ยล้วผมกราบขออภัยนะครับเหล่าเจียงก็รู้ดังนั้นก็ใช้กองหนังสือนี้มาดู ่าพิเคราะห์ดูก็เป็นใจความว่าผีรับไม่สูยก่อนละข้าพเจ้า อ, องค์ลีคำนับไว้ถึงท่านให้แจ้งด้วยข้าพเจ้าได้ยินโบราณเล่าสูตรๆกันมาว่ายาดีกินขมปะแต่เป็นประโยชน์แก่คนไขยคนซื่อกล่าวคำไม่เคาะหู แต่เป็นประโยชน์แก่การถายนาะซึ่งท่านไม่ฟังคําข้าพเจ้าจะออกไปรับเหล่าปีนาะเมืองป่วยเสียนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าเมื่อไปจะมีทานไปสะดวกแต่เมื่อจะกลับมาเห็นจะขัดสนไม่มีทานมาให้ท่านพิเคราะห์ดูจนดีก่อนแม้ท่านฟังคําข้าพเจ้า จงจับตัวเตี่ยวสงตัดทิศเสียนี่แล้วสกัดรอบปีไว้อย่าให้เข้าเมืองเสฉวนได้ตัวท่านก็จะได้ครองสมบัคิเสฉวนสืบไปราชบัลชาวเมืองทั้งตัวก็จะไม่ได้ความเบียดร้อนนี่ดังนันสือ้อนั้นสืบฉบับนี้ขององวีมีความอย่างนี้โดยเพราะองวี กาวโทษเตียวสงเป็นคนทรยศเลยทีเดียวอะให้จับตัวเตียวสงตักที่สักเลยนี่ยเล่าเตี้ยได้แก่งความนีสูนีน้แล้วเนียก็ให้โกรธโกรธอนี้นะ่ะก็ถึงว่าเล่าปีาเป็นคนมีสติปัญญาแล้วกับเราก็รักใครเสมอพี่น้องเกิดด้วยบุตรเดียวกันแต่ความจริงเล่าปีกับเราเตี้งมีกันไม่เคยพบกันเลยมีเราเตียงเขาว่าอย่างนี้ ไม่ด้มีน้ำใารังเกียจกนแหนงกันเหตุใดใอ้คนเหล่านี้มันกล้งมาพูดจาขัดขวางจะให้เรากับเราปีเป็นศัตรูกันหรือนี่เหล่าเตียงรับมังสอริรัติทวงจมั่งสำคัญขององลีไปอ่านแล้วก็ตระว่าดาเอาอย่างนี้องลีได้ทราบแบบนี้นก็น้อยใจนะกแล้วก็ในความ้องรับพักดีโดยทุกประการ ม้แต่ชีวิตตนก็มอบให้แล้วเช่นเนี้แต่เล่าเจียงจะไม่ได้เห็นด้วยแลวแม้แต่สักนิดเดียวอองวีร้องขึ้นด้วเสียงนั้นังแล้วก็อากระบีนะ่น่ตัดเชือกทีลักษณะของเชือกนีก็มัดเ้าห้อยหัวทิ้งลงไอย่างนี้เพราะตัดเชือกขาดเนี่ยศรีสารอยู่เบีย่ยงรางนี่ก็ปากลงมาศรษารปาโลงมายัางพื้นข้างล่างคอหัก ถึงแก่ความตายพันทีเราเนีนก็เบิกฟังการไดแล้วตักแจงฐานสามลูแพร่อย่างดีบรรทุกเวียนสามเล่มกับสิ่งของเงินทองจำนงนนี้ เ, นนเป็นอันมากยกออกจากเมืองรีบเพื่อจะไปคอยรับเราปีน้เมืองต้ยเสีย ยกับปีมาจนถึงแดนึเสื้อฉวนอะราวปีกเกาะกำๆๆกําชาราวถามท่านปวงของต น, นี่เอกเดียดเบียนตามันตรลายหลักรดอนตามู้มึงายทางทีผ่านมาักระดอนชาเมืองก็มีความยินดีอันนี้นก็หมายความบ่โดยปกติแล้วการยกทับแลสรพทับจับศึกราถามท่้นปวงเนี่ยก็มักจะกระทาตามอำเภอใจตามอำนาจของนตนและหยิบบ้าช่วยด้ประการใดอย่างไร จนกระทั่งเขาเมียใครก็ไม่เว้นไม่ได้ ว, วางจึงจะมีคาสั่งกันเป็นพิเศษเนี่เอาทหาระพกรบกาดทำอันตรายละชาวบ้านชาวเมืองก็ยินดีราปีไปถึงนเือนายรัตตดำชาวบ้านชาวเมืองต่างหวาดระมันกจกชวนออกมาทามากกว่รราระปีระปีก็พูดจะปรียบกลมโดยสุภาพหัเก่งหัวเก่งก็ถึงว่าแต่บางทองวัเดเยสงนะ่ะ ได้ให้นักสืรับมาถึงขบจวัเล้าเจียงจะยกทหารออกมารับเล่าปีนไม้ท่านักเมืองโต้เสียบัดนี้ก็ว่าได้ทีอยู่แล้วจงคิดอ่านกำจัดเล่าเจียงเพือตัต้นมได้ทนคิดแก้ตัวได้นี่วรงที่แจงให้เบิกตัดฟังดังนี้เดิกตัดต้นว่าเมื่อความทังนี้ ถ่านอย่าพิ่งวา้วุ่นวายไปก่อนเด็กกิติศักดิ์จะเพิ่พายไปให้เราเกียงกับเราปีมาเราถึงกันเข้าก่อนและวจึค่อยคิดทาํากันคือบางทอมันก็กระทําโดยความสื่อตรงตรงรับไปดีตราดปีแหละคจะต้องเอาเศษฉวนในรอบปีให้ได้เวียดเชื่อฟังบางทงว่ามันก็เห็นชอบด้วยแล้เมืองเศษฉวนกับเมืองปุ้ยเสียนั้นเป็ะญาติพันธุ์ไกลกันประมาณ หกรเซนหกร้เซนก่ออืมประมาณ2ี่สิบสกิโเมตรนี่ระยะทางกลกันตทานี้ขันเราเตียมมาถึง น, นปวยเสียแล้วเอาปัดแต่งฐานออกไปรับเล่าปีเราปีก็ให้านพมยุตั้งค่ายอยู่นอกเมืองก่อนและก็เข้าไปหาราบยิงแต่ตัวต่งคนตงคน่งขอนขมับกันตามธรรมเนียมประเพณีพี่ม้องกูุจาราสัย เล่าความทุกอย่างแต่ผมหวังจะฟังกันทุกประการแล้วก็ร้องไห้รักกัน อ, อันนีเน้เป็นเป็นเรื่องของธรรมเนียมอย่างเอาใส่พิธีนี่แล้วเราเพียงแต่แต่งโต๊ะเพื่รอบปีนั่งโต๊ะตเสดภูราอยู่ในกันเป็นพาสุขเป็นเวลาพรบคำ ปีกเกาะคามาปลาลปเหลาปีกเล่าเอียงออกจากเมืองกลับมายังค่ายของตนนี่เหล่าปีกกลับออกไปแล้วพอเหล่าปีกกลับออกไปเหล่าเอียงก็จึงว่าแกคุณแมงทั้งสองไปที่นั้นว่าต้องมีมีขวัญสองคนเนี่ยหาปัญญามิได้ขบเจ้าคิดขึ้นมาแล้วก่อนหน้าวะละคนทั้งสองนี้ควรหรือ มาสงสัยเล่าปีว่าจะไม่สักวซื่อต่อราพี่น้องนั้นนิควรเลยเราเห็นเ่าปีพี่เราวันนี้พิเคราะห์ดูปริยาอาจารก็เห็นว่าเป็นคนซื่อตรงอารีต่อพี่ต่อน้องจริงถ้าเราได้เล่าปีพี่เรามาไว้ช่วยทะลุบำรุงเป็นที่ป้องกันอันตรายอยู่รอบหมอกแล้วจะกลัวอะไรกับโจโฉและเตียวหลอก ตรวข้าบา่าวนี้ผิดมักหมาพี่นี้ดูรำลึกถึงพี่น้องของตัวเลยพเตียวสงมัาบอกก็จึงได้คิดความชอบของเตียวสงนี้มีเป็นอันมากมีดูเพล่าเตียงดูผิดไปได้ถึงอย่างนี้เลยทีเดียวยกย่องเตียวสมแล้วก็ถึงกับถอดเสื้อออกพอดเสือ้อผิดไฟเนี่ออกเลยให้คนเอากลับให้กับเตียวสงหน้ามือเสฉวน และทองคาอีกห้าร้อยตำลึงขนาดนั้นเหล่ากุ้ยหลุนเปาเตียวหยูเตงเหยียอ่ากับที่ปรึกษาตั้งเตีวงฝ่ายพลรุอนก็จินว่าแกเล่าเยงนขึ้นว่าท่านอย่าเพิ่งยินดี ที่เข้ากลาเหล้าปีก่อนอย่าเพิ่งยินดีไปก่ออันเล้าปีนี้ทำกริยาเช่นช้อยพูดจาไพเราะอ่อนโยนก็จริงแต่ว่าเหล้าปีนี้เป็นคนเจ้ามารยาน้ําใจกระด้างดังเล็กเพชรหาเหมือนกับวาจามากขอท่านจะได้ประมาทเร่งประมัดระวังให้ตจงดีนี่ คือคุณนายผู้ใหญ่กับพี่ปรึกษาทั้งาหาลและพลเรือนแหละมามากล่าวเช่นนี้กับเราเกียร์อ่ะขึ้นยังไม่เชื่ออยู่นั่นแหะเราเกียร์ก็วะเราะแล้วก็จิงว่าทั้งทั้งหลายนี้มาชวนกัสนสงสัยโดยเปล่าเปล่าปรีหายต้องการไหมอันรอบปีพี่เราเนี่เห็นจะไม่คิดเป็นสองใจอ่ะเราเกียร์มั่นใจในรอบปี ว่ากันงงนี่ไงตามภาษาโดยทั่วไปเนี่ยก็าต้องคิดวระวังน้งคงจะไม่กระทํามันตรายแกักนละกันก็ไมีได้คิดเลยแม้แต่ตั้งนิจโดวยวเราปีเข้าเฉยชวนแล้วแต่ยึดเฉยชวนเป็นของเราปีเพือเองเราเพียงไม่ได้คิดถึงกานแม้แต่น้อยเลยใครจะมาทัดทานประการใดอย่างไรก็มิฝังที่ปรึกษาทั้งหลายเ่านั้นเด็ดฟังเราเพียงว่ายอย่างนั้นก็เด็ด